การที่ท่านให้มีคำบริกรรมภาวนาเป็นบทบทกำกับใจในเวลานั้นหรือเวลาอื่นก็เพื่อเป็นอารมณ์เครื่องยึดของใจในเวลาต้องการความสงบเพราะใจเป็นของละเอียดตามธรรมชาติทั้งยังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เนื่องจากกิจยังไม่เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์ดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านจำต้องมีบทเป็นคำบริกรรมเพื่อผูกใจหรือเพื่อเป็นอารมณ์ของใจเวลานั้น การบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดก็ตามกรุณาอย่าคาดหมายผลที่จะพึงเกิดขึ้นในเวลานั้นเช่นความสงบจะเกิดขึ้นในลักษณะนั้นนี้มีต่างๆจะเกิดขึ้นในเวลานั้นหรืออาจจะเห็นนรกสวรรค์ขุมใดหรือชั้นใดในเวลานั้นเป็นต้นนั่นเป็นการคาดคะเนหรือด้นดาวซึ่งเป็นการขอความไม่สงบให้แก่ใจเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจากการวาดภาพนั้นเลยและอาจทําใจให้ท้อถอย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 หรือไต่ถามผู้รู้มาก่อนเสียก่อนนอกจากที่ท่านที่ชำนิชำนาญมาอย่างเต็มภูมแล้วนั่นไม่นับเข้าในจำพวกที่กาลังเห็นกองหมดพูดที่ท่านตำหนิว่าเป็นของดีแล้วชื่นชมในความรู้ความเห็นของตนแม้ผู้เขียนเองก็เคยอวดเก่งในความหางอึ่งของตนและถูกเถียงท่านแบบตาแดงมาแล้วจนไม่อาจนับได้ว่ากี่ครั้งกี่คนเพราะทาอยู่เสมอรู้ขึ้นมาอยู่เสมอ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 ไม่อ่าเข้าสู่ความละเอียดเท่าที่ควรได้ตามกำลังของตนเพื่อให้จิตได้ทำหน้าที่เต็มความสามารถของตนในเวลานั้นจึงไม่ควรกังวลกับกายภายนอกแต่ควรทำความจดจ่อต่อคำภาวนาอย่างเดียวจนจิตสงบและรู้เหตุรู้ผลของตนได้ตามความมุ่งหมายแม้ขณะที่จิตสงบรวมลงสู่ผวังคือที่พักผ่อนตัวหมดความรู้สึกกับสิ่งภายนอกมีกายเป็นต้นคอตามเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้ว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 เป็นอารมณ์ตามฐานของตนที่ตั้งอยู่สูงหรือต่ำประการใดกระุณาทราบไว้ตามฐานของสิ่งนั้นนนเวลากำหนดอาการใดอาการหนึ่งที่กล่าวมาเป็นอารมณ์ในขณะภาวนาพึงกำหนดเฉพาะอาการนั้นเป็นสำคัญกว่าความสูงหรือต่ำที่กำหนดไว้เดิมเช่นเดียวกับท่านั่งสมาธิที่เอนเอียงไปบ้างไม่สำคัญความสูงหรือต่ำที่เรากาหนดไว้เดิมอย่างไรก็ปล่อยตามสภาพเดิม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 เวลาดูลมเพลินไปด้วยความสนใจอานเกิดความสงสัยขึ้นมาในเวลานั้นได้ว่าลมได้เคลื่อนจากด้างจมูกไปอยู่ในฐานอื่นเป็นต้นแล้วตั้งลมที่ดั้งจมูกใหม่ดังนี้เรียกว่าข้อโกตัวเองด้วยความสําคัญจะไม่เกิดผลได้เลยเพราะความสงสัยมาแย่งเอาไปสมุดเพื่อความถูกต้องและหากังวลในฐานต่างๆจึงควรปฏิบัติตามที่กล่าวมาในอาคารอื่นๆคือพึงทำความรู้ชัก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 ที่ทรงดำเนินทำบทนี้มาก่อนจนได้ตรัสรู้และนิพพานด้วยทำบทนี้เป็นบาตฐานระวังกิจคาว่าจิตตกรวังบางท่านอาจไม่เข้าใจจึงขออธิบายไว้บ้างเพียงเล็กน้อยคําว่ารวังแปลอย่างผ ป, ป่าตามนิสัยที่ถนัดใจจึงขอแปลว่าองค์แห่งภพหรือเรือนพักเรือนนอนของอวิชชามาตั้งแต่ดึกดําบันแสนกับนับไม่ถ้วน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 จนสืบสาวราวเรื่องหาเหตุผลต้นปลายไม่ได้เหมือนงานของอวิชาที่แพร่กระจายไปทุกแห่งหนําบลหมู่บ้านตลอดโลกสงสารและกล้าได้กล้าเสียตัวงานของตนรักชังเกลียดโกรธเป็นงานประจําของอวิชาไม่มีรังเกียจพอใจทั้งรักทั้งชังพอใจทั้งเกลียดทั้งโกรธแม้จะมีความทุกข์ทรมานแก่ผู้รับใช้เพียงไรอวิชาเป็นไม่ยอมให้ถอยอยุให้รักให้ชัง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 ผู้มีธรรมในใจเช่นผู้มีสมาธิปัญญาบ้างจึงพอเห็นโทษของอวิชชาที่พาทำงานไม่หยุดดังนั้นเมื่อจิตรวมลวงสู่วังที่เรียกว่าอาวิชชาพักงานชั่วคราวจึงปรากฏมีความสุขสบายหายห่วงไปพักหนึ่งตอนที่จิตพักงานนี้แหลที่พอเห็นโทษแห่งความหมุนของตนที่มีอวิชชาอยู่หลังฉากซึ่งความหมุนนั้นผิดธรรมดาที่อยู่ในวังมากมาย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 ซึ่งเป็นบ้านพักเรือนนอนของอวิชชาชนได้เพราะไม่มีทางออกซึ่งเห็นว่าดีกว่านี้นี่แหลผู้ปฏิบัติจะเห็นคุณของสติปัญญาอย่างถึงใจก็ไม่เห็นตอนพยายามถอดถอนทำลายอาวิชานี่แหลเพราะนอกจากสติกับปัญญาแล้วไม่มีเครื่องมือใดสามารถทำลายได้เพราะวังคจิตจะสูญสิ้นไปได้เมื่อไรพราะวังคจิตไม่มีวันสูญสิ้นไปโดยลาพังเพราะ เป็นแรงสร้างพบสร้างชาติสร้างกิเลสตัณหามานานและทางเดินของอวิชชาก็คือการสร้างพบชาติบนหัวใจสัตว์โลกอยู่ตลอดไปไม่มีวันเกคร้านล่อและอิ่มพอผู้ปฏิบัติถ้ายังรักสงวนผวังขจิตและรักฐานแห่งสมาธิของตนอยู่ไม่คิดหาทางขายับตัวเข้าสู่ปัญญาเพื่อสอดส่องดูตัวอวิชชาที่เปรียบเหมือนนางบางเงาอยู่ในจิตหรือในผวังขจิตในสมาธิ ก็เท่ากับเป็นสมุนของภพชาติอยู่เรื่อยไปไม่มีวันพ้นไปได้ถ้าต้องการหลุดพ้นก็ต้องสร้างสติปัญญาขึ้นกับใจจนคล่องแคล่วแกวกล้าสามารถทำลายภวังขจิตอันเป็นตัวภพชาตินั้นเสียภวังขจิตก็สลายหายสร้างไปเองผู้จะทราบภวังขจิตได้ต้องเป็นผู้มีสมาธิอันมั่นคงและมีสติปัญญาอันแหลมหลักเข้าเขตคายแห่งมหาสติมหาปัญญานั่นแหละนอกนั้น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 เวลาปฏิบัติก็อยู่ในป่าเวลาเรียนก็เรียนในป่าทำจึงเป็นทำป่ารวมแล้วมีแต่เรื่องป่าไม่มีคําว่าคำภีรแฝงอยู่บ้างเลยการอธิบายวิธีเดินโยงกลมกับวิธีนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยเป็นแถวเป็นแนวเนื่องจากความเกี่ยวโยงแห่งแขนงธรรมต่างๆที่ควรอธิบายมีสัมผัสกันเป็นตอนๆจึงเขียนวกเวียนซ้ํำซากไปตามความจําเป็นผู้เริ่มฝึกหัดใหม่อาจเป็นปัญหา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 ทางสองนี้จะเป็นวิธีใดก็คือการทําลายกิเลสสิ่งพอกพูนพบชาติและกองทุกทั้งมวลภายในใจอันเดียวกันนั่นแหละกรุณาทําความสนใจกับจิตซึ่งเป็นสิ่งสําคัญของโลกด้วยโลกกับเราจะอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขไม่อยู่ด้วยความรดร้อนนอนคลางนะักเพราะจิตได้รับการอบรบพมีเครื่องป้องการหลบซ่อนว่าดีกว่าที่ไม่มีอะไรในตัวเลย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 สมาธินิสัยของตนที่อธิบายวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาที่ผ่านมานี้อธิบายเป็นกลางๆนําไปปฏิบัติได้ทั้งพระและฆราวาสส่วนผลคือความเป็นของจิตที่เกิดจากการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธินั้นส่วนใหญ่คือความสงบของจิตเวลารวมรวงไปถึงที่แล้วจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวกันส่วนย่อยที่อาจเป็นไปตามนิสัยนั้นผิดกัน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 ในวันหนึ่งแน่นอนข่าวที่เคยอ่านในประวัติของอริยสาวกทั้งหลายจะกลายมาเป็นข่าวของตนในวันหนึ่งจนได้เพราะสิ่งที่เป็นกิเลสรับกรรมและทำเครื่องแก้กิเลสนั้นมีอยู่กับทุกคนและทางครั้งโน้นครั้งนี้ไม่ลำเอียงผู้ปฏิบัติเป็นสามีจิกรรมชอบในสมาธิวิธีผลเป็นที่พอใจเหมือนอริยสาวกในครั้งพุทการได้รับตนจะพึงได้รับเช่นกัน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 สำคัญความมากมายจนนำมาทีบกันไม่ได้หากไปบังคับให้ถอนขึ้นมาทั้งที่จิตยังไม่ชนานาญในการเข้าการออกจะเป็นความเสียหายแก่จิตในวาระต่อไปคือจิตจะไม่รวมสงบลงได้อีกดังที่เคยเป็นมาแล้วจะเสียใจภายหลังเพราะเรื่องทนองนี้เคยมีเสมอในวงปฏิบัติจึงควรระมัดระวังอย่าให้เรื่องซ้ารอยกันอีกการออกถ้าจิตรวมสงบอยู่ก็ต้องออกในเวลาที่จิตถอนขึ้นมาแล้ว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 ใจจึงมีความแยบคายได้อย่างนี้เมื่อกาหนดจดจำทั้งเหตุและผลที่ตนทำ ผ, นผ่านมาได้ทุกระยะแล้วค่อยออกจากสมาธิภาวนาการที่กาหนดอย่างนี้เพื่อวาระหรือคราวต่อไปจะทำให้ถูกต้องตามรอยเดิมและง่ายขึ้นเฉพาะออนักบวชที่เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วไม่ออกจากสมาธิมาแล้วสติที่เคยประคองจิตก็ไม่ควรปล่อยวางในอิริยาบถต่าง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 ก็ไม่ค่อยเที่ยวก่อกรรมทาเข็นใส่ตัวเหมือนที่ปล่อยไปตามยะถากรรมการรักษาจิตได้แทบทุกครั้งหรือได้ทุกเวลานั้นเป็นการบำรุงสติและจิตเพื่อควรแก่การงานทางด้านสมาธิภาวนาและงานอื่นๆได้ดีงานใดก็ตามที่ผู้ทาทำด้วยความจงใจมีสติจดจ่ออยู่กับงานงานนั้นย่อมเป็นที่นาดูไม่ค่อยผิดพลาดตัวเองก็ไม่เป็นคนเพลอเรอ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 โยให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติว่านักปฏิบัติในเพศใดไวไดัยใดก็ตามถ้าเป็นผู้สนใจกับสติอยู่เสมอไม่ให้ขาดวัคขาตอนในอุบายบทและอาการต่างๆนักปฏิบัตินั้นจะพึงมีหวังได้ชมสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานไม่พ้นมือไปได้เริ่มแรกแต่การอบรมขอให้มีสติเป็นพี่เลี้ยงรักษาเถิดความรู้สึกตนและรู้สึกผิดถูกชั่วดีที่เกิดกับตัวและผู้อื่นนั้นอย่างไรต้องทราบได้ตามระดับที่สติอยู่กับตัว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 จากนาทีนั้นก็มีแต่ร่างของนักปฏิบัติผู้ไม่มีสติทำความเพียรอยู่เปล่าๆถ้าเดินจงกรมก็สักแต่กิริยาว่าเดินถ้านั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่กิริยาว่านั่งถ้ายืนเป็นท่ารำพึงทำก็สักแต่กิริยาว่ายืนอยู่เท่านั้นเหมือนหุ่นหรือตุ๊กตาเราดีๆ น, นี่เองหาเป็นความเพียรตามองของผู้บาเพ็ญอย่างแท้จริงไหมเพราะสติที่เป็นองค์ความเพียรอันจะยังผลนั้นๆให้เกิด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 แม้ขณะเริ่มจะทำความเพียนก็ทราบได้ไม่อยากเย็นอะไรเลยแต่โดยมากไม่อยากทราบกันอยากทราบแต่สมาธิสมาบัติมรรผลนิพพานอย่างเดียวหาทราบไม่ว่าทำเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะสติกับปัญญาเป็นเครื่องมือบุกเบิกอันสำคัญหาใช่เพราะความเผลอเร่อไม่พอที่จะไม่สนใจระวังมันอันเป็นตัวทาลายทำทั้งหลายที่ตนพึงประสงค์ดังนี้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 แต่นี้มองไปที่ใดทางใดเห็นมีแต่เศษพระเศษเนเหมือนเศษเหล็กเคลื่อนที่เดินไปมาตามทางจงกรมงุ่มง่ามต้วมเรียมไม่มีสติความรู้สึกอยู่กับตัวและปัญญาความแยกขายใดๆบ้างเลยทานั่งภาวนาก็นั่งอยู่เฉยเฉยเหมือนเศษเหล็กที่เขากองทิ้งไว้ในร้านหรือในโรงงานต่างๆนั่นแหลแต่เศษเหล็กมันยังไม่แสดงความโยกเยกประงกหน้าประงกหลัง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 เรากับจะกําหนดดูใจพระใจเนนที่กําลังนั่งฟังว่าจะพากันคิดอย่างไรบ้างพอเห็นแต่ละองค์ต่างนั่งเงียบคงทั้งกลัวบ้างขกขันบ้างนั่นเองเสียงท่านกาเริ่มพันอีกเรากับตอบคําสงสัยว่าก็เตรียมกุศลามาติกาเพราะทั้งเป็นอย่างไรละ่ะคนตายเขายังมีกุศลาบางสุกุลพระนั่งภาวนาหลับแบบตายทั้งเป็นจะไม่กุศลามาติกาให้บุญก็จะพากันไปตกนรกทัหมดซะ แม้เวลาเดินชมกลมเรอนั่งภาวนาก็ทำโยกหน้าโยกหลังเหมือนจะโดดลงนรกทั้งเป็นอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆจะโดดไปที่ไหนถ้าไม่โดดลงนรกขุมนอนไม่ตื่นเล่าคำว่านารกขุมนอนไม่ตื่นพวกเราก็ไม่เคยได้ยินกันมาบ้างเลยแต่ท่านก็นามาแสดงจนได้พอเลิกจากประชุมแล้วต่างพากันออกมาแอบคุยกันรอบๆสภาหนสนุกไปพักหนึ่ง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 ก็ต้องมีอาการต่างๆทั้งจะผลลุกผลหน้าทั้งจะปวดห น, นักปวดเบาทั้งร้อนทั้งหนาวไม่มีสติพอยับยั้งตั้งตัวได้เหมือนจับสุนัขโยนใส่เสือตายเราดีๆนี่เองได้ยินแต่เสียงแงกคาเดียวแล้วตัวก็เพ็นหนีตายแบบไม่อะไรชีวิตเอาเลยเห็นแต่อะไรๆที่ไม่คาดคิดของมันหลุดทิ้งเรี่ยรารรกดกระจายเต็มอวิวะเสียทั้งตัวนั่นแลนั้นใครจะคิดว่าเป็นอะไร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 ทั้งนี้เพราะสัญชาตญาณของสัตว์พันธุ์นี้กลัวกันแต่ไหนแต่ไรมาท่านที่เคยอยู่ตามแถบป่าที่มีเสือชุมย่อมทราบเรื่องสุนัข ก, กับเสือได้ดีแต่ท่านที่อยู่แต่ในเมืองหรือในกรุงเทพมาแต่ต้นไม่อาจทราบได้หรือไม่เชื่อว่าจะเป็นได้ดังที่เขียนก็เป็นได้แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นงงเล็บปิดเฉพาะท่านที่เคยอยู่อบรมกับท่านมานานท่านดุดาครูเช่นมากเพียงไร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 ตัวโอวาดหนักเบาเพื่อบรรเทาและแก้กิเลสของตัวจากครูอาจารย์ผู้มีเมตตาจิตคิดอนุเคราะห์ด้วยอุบายต่างๆอันเป็นทางปลดเปลื้องเลี่ยงกิเลสกองทุกไปได้ไม่นอนจมล้มเหลวเพราะอำนาจกิเลสปีบังคับทําลายโดยถ่ายเดียวการฟังโอวาสท่านถ้าฟังอย่างผู้มุ่งอัดมุ่งทาจริงจริงไม่สงวนตัวนากิเลสตัวทิฐิมานะเข้าไปต้านทานผลักดันทำที่ทานแสดงเปิดใจ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 ไหลออกจากอนุสาสนิยะปาติหารยะเหมือนน้าไหลไฟสว่างราวกับจะมองเห็นปู่ย่าตายายครอบครัวผมเมียลูกเต้าล้าเหลนของกิเลสชนิดต่างๆแต่ครับดับสลายไม่เป็นขบวนไปในเวลานั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลงพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนับแต่อริยธรรมขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดมีจานวนเท่านั้นเท่านั้นนั้น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 ก่อแสดงอาการเจ็บปวดรวดร้าวไปหมดราวกับจะผูกพังไปต า, ตามกันในเวลานั้นเพราะกิเลสตัวขี้เกียจมักกวนและเที่ยวยุแย่ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายให้เจ็บปวดรำคาญไปหมดสุดท้ายความเพียงก็แตกสามคีแผ่สองสลึงลงแบบไม่เป็นท่าเพราะมันจนได้นี่แหละเรื่องของกิเลสไม่ว่าชนิดใดย่อมทาลายคุณสัตว์ได้เหมือนกันหมดท่านจึงเรียกว่ามา ม, มีน้อยก็กวนน้อยทําลายน้อย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 ท่านไม่ถือเป็นกิจสำคัญยิ่งกว่าการกำหนดรูระหว่างทาขับใจสัมผัสกันท่านนั่งฟังเทศอยู่ด้วยการจนวนมากน้อยเพียงไรจึงเหมือนไม่มีคนต่างองต่างนั่งกำหนดจดจอฟังอยู่ที่ใจของตนราวกับหัวต่อไม่มีอาการกระดุกกระดิกตุกติกนั่นเป็นการเหนื่อยนายํำคาญแต่อย่างใดได้ยินเฉพาะเสียงอาจารย์พูดให้ทำซึ่งแสดงด้วยความเข้มข้นราวกับฝนตกหนะัก ทั้งลูกเห็บทั้งลมจับพัดพันปั่นป่วนเหมือนกิเลสบาปกรรมทั้งหลายจะขาทลายกลายเป็นกระแสลมไปตามกระแสรธรรมในเวลานั้นเพราะขณะที่ฟังอยู่ด้วยความหมายมั่นปั้นมือไม่มีกิเลสตัวใดจะโผล่หน้าอาปากออกมาแสดงความโอวทีกับสติปัญญาที่กําลังฟาดฟันหั่นแหลกกันอย่างสุดกําลังเวลานั้นมีแต่ทำลนลว น, ลวนทั้งภายนอกคือเสียงแห่งธรรมทั้งภายในคือใจกับธรรมกลมคลืนเป็นอันเดียวกัน มีแต่ความรื่นเริงบันเทิงไปกับทําความสงบเบยือกเย็นที่รู้เห็นขึ้นกับใจเท่านั้นกว่าจะจบการแสดงธรรมแต่ละครั้งกินเวลาส4สชั่วโมงหลังจากการฟังธรรมผ่านไปแล้วหากยังมีข้อข้องใจในบางตอนสำหรับบางรายก็กราบเรียนถามท่านผู้เป็นอาจารย์ได้ช่วยชีย้แจงจนไปที่เข้าใจแล้วค่อยเลิกไปที่พักของตนของตนจากนั้นต่างองค์้็เข้าทางเดินชมรมต่อไปเพื่อคลายทุกข์ในร่างกาย